ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ปเป็นเวลายุติเอ็ดนาิกาครึ่งก็ปเป็นเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใกล้ยจะหลับบางท่านอาจจะง่วงแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ง่วงโดยการฟังธรรมะตอนนี้ถือว่าเป็นธรรมะก่อนหลับไม่ใช่ธรรมะก่อนนอน หลายหลายท่านอาจจะนอนแล้วการให้ฟังธรรมะตอนนี้ไม่ไดหวังว่าจะต้องบังคับให้ท่านหลายตั้ง อ, อกตั้งใจฟังจนกว่าจะจบมีความปรสง์อย่างเนี่วคือว่าก่อนจะหลับให้จิตหลับอยูนะ่ในกำลังของธรรมในลมของธรรมะเาฉะนั้นได้ฟังไปฟังไปานเพลินไปเพลินไปท่านจะหลับกจ็จะดึงเอาไว้ปล่อยให้หลับไปเลย ถ้ากันนาบใดที่หลับกําลังฟังทำอยู่ถ้ า, าว่าจิตไม่เป็นฌานมันจะไม่หลับถ้าจิตสงบสง่ายเขาต้องฌานมันจะจัดหลับทันทีถ้ากําลังหลับลงไปเวลานี้คิดว่าจิตทรงฌานในธรรมะที่ฟังอยู่นี้ตลอดเวลาตื่นเป็นการทรงฌานหลับอยชั่วโมงก็่าทว่าสรงฌานรงฌานธรรมชาติสมงเป็นการได้กาไรมาก สำหรับวันนี้ก็อย่าคุยตะวันดาวานผู้ตรบริษัทเราคุยก็ถึงสัญญาติสิบรการแต่คงจะไม่ครบสิบไอ้สัญญาติทั้งสิบรการนี่มันก็ยาวอยู่แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงสัโยชน์การที่ยขาตัสัโยชนินั้นต้องอาศัยกำลงงังกําลังทรงฌานที่ก่อนทำจิตให้เปญชานวิธีทําจิตให้เป็นฌ า, า น, ก, นาก็มีอะไรไม่ยาก นั่นคือพยายามระงับตีวอนห้าตีวอนห้าเนี่ยถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ตัดไม่ได้เด็ดขาดไม่สาารตัดไปได้ต้องตัดเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ถ้าว่าจะสามารถระงับให้มันหยุดชั่วคราวได้ตในความระหว่างนี้ระงับไปชั่วคราวโดยไม่คิดทั้งมันเลยที่ที่ระงับทำไมเพราะไม่คิดทั้งมันก็คือหนึ่งกามาชันทะ อารมณ์ที่พอใจในกาลมารมณในระหว่างเพศตรงเดิข้ามขณะที่ฟังเสียงธรรมอยูน่นี่เราก็ไม่คิดถึงมันเสียสองอารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธความเจ็บปวดเวลานี้เราตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ไม่ไมคิดถึงมันเสียสามอารมณ์คือความวง่วงตั้งใจฟังธรรม ไม่ให้มีความง่วงเข้ามาผสมแต่มันจะเคลื่อผู้จิตละเอียดเป็นฌานปล่อยมันมันจะหลับปล่อยมันแต่นี้ไม่ห้ามหลับแล้วก็สี่อารมณ์ฟุ้งั่นนอกเหนือไปจากเท่าคําที่ได้ยินอยู่อําเป็นคําแนะนําจากสมุดพระบร ม, มครูคือเป็นคําสอนผู้ทีเจ้าทันอาัตามาเป็นเพียงผู้นำเอามาพูดเท่านั้นแล้วก็ฟัองอยู่เฉพาะในจุดนี้อรารมณ์ฟุ้งั่นมันก็ไม่มี แล้วก็ห้าความสงสัยในความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาทูเจ้าและผลของการปฏิบัติไม่มีสำหรับเราเรามีความมั่นใจว่าทําใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาทูเจ้าทรงแนะนําเราทําแล้วทุกอยกา่ารถ้าที่สามารถจะทําได้และผลนั้นจะต้องมีกับเราแนะ่อย่าน้อยที่สดุดเราจะไม่ยอมลงอบายพรมคือรักษาลมของพระโสดาบันไว้ให้ได้ตามที่กล่าวมาแล้วแต่สถานการณ์ก่อน ห้าหากราบรรดาสาวกพระองค์พร็จประพินาวรทุกท่านเวลานี้ตั้งใจฟังเสียงโดยไม่นึกถึงอารมณ์5ประการอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเรางด้ยีวอนได้นีวอนกับปฐมฌานเป็นค่าสิทกันขนะใดที่ใจเราไม่พลิกนึกถึงยีวอนขนาดนั้นเป็นฌานเป็นปฐมฌานกับลังพอในได้ขอความดี ตอนนั้นไปก็ต้องพยายามดูกำลังใจองงยองสังเดจพิเนศให้ไว้ว่าจะเป็นพระเดียเจ้าได้ต้องทรงกำลังใจอีกสิบอย่างนั่นคือบรารมีสิบบารมีสิบหมายถึงกำลังใจหนึ่งทานบรารมีเราเพรา้อมในการให้หรือยังจิตเราุิดเรจะให้ทานมีอยู่หรือเปล่า สองสินนิบาตบารมีเราควบคุมสินนิบดีหรือเปล่าสินนี้ต้องควบกำหนดสิบด้ยนะอย่าทิ้งกำหนดสิบเพราะเป็นธรรมที่มีความละเอียดมากสามารถส่งผลทันทีผานสามเมตธรรมะบารมีนั่ น, าานก็คือว่าเราสามารถระงับอิริาได้จัดว่าเป็นกำลังใจขั้นตนทีือ่อก้าวเข้าไปหาผลิพภัณฑ์ ท่านนอกจากนั้นพยายามทำลายสังโยชน์ทันทีนัดไปต า, ตามกำลังที่เราจะทำได้สี่ปัญญาบา ร, รมียอมรับผดผือความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสองสนใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวลานี้ควรจะทำยังไงแลาห้าวิญญาบา ร, รมีให้ความเพียรบุกบังเข้าไว้เวรวาม่ยอมท้อถอยหกขันติบา ร, รมีความอดทน อ, อ ก, กลั้นต่ออุปสรรคที่จะเข้ามาไมายความต้องต่อสู้กันไม่ยอมถอยหลังเพ็ดสัดจาบา ร, รมีตั้งใจว่าอย่างใรทำอย่างนั้นแปดอธิษฐานบา ร, รมีทรงกาลังใจให้คงที่เราเกือตายคราวนี้เราจะไปนิพพานตั้งใจไว้ก้าเมตตาบา ร, รมีทำหน้าตายินแยน้นแจ่มใสเป็นคนใจดีต่อสังคมและบคุคคลทุกประเภท ลายศิษฐ์อุเบกขาบรมีวางเฉยต่อรมที่เราไม่ชอบใจแล้วก็เฉยต่อร่างกายที่มันจะพังมันจะเสื่อมทำตามใจมันบรมีทั้งศิษยการนี้ต้องทบทวนไปเสมอว่าเสียงไหนที่เราบกต้องบ้างเติงขึ้นมาแต่เช้าทบทวนบรมีศิษว่าวันนี้บรมีทั้งศิษยการเราต้องทบทวนใหม่ๆมื่อก็เผลอบ้งางตัดบางเป็นของธรรมดา ค่อยๆทาไปนานๆ อ, อารมณ์ก็จะเกิดความชินเมื่อความชินเกิดขึ้นบา ร, รมีสิบประการก็จะทรงตัวเมื่อบา ร, รมีสิบประการท่งตัวและการเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากเพราะว่ากําลังบา ร, รมีทั้งสิบประการจะสังกัดมให้เราเป็นพระอริยเจ้าแังนั้ขอโทษเถิดอย่าเมาความเป็นพระอริยะ เราถือว่าเราเดินแปฏิบัติตามพระอริยเจ้าจะเป็นหรือไม่เป็นก็ช่างแต่ต้องยึดให้ทรงตัวสังยอดสิกายการที่จะพูดในวันนี้ของพูดไม่จบก็จะต่อไว้ในคืนพรงนี้เป็นธรรมะก่อนหลับก็ไม่เรียกว่าธรรมะก่อนนอนพระบางท่านก็จะนอนไปแล้วราสารพ่งขึ้นแล้วนี่พระเจ้าเพือกันมาทวันทำงานทุกอย่าง พาะก็คนจะกลุมใจที่มีชาวบ้านเขาบอกว่าภระวัดนี้มีความมั่นคงจริงๆขยันมันเพียรสมเกลียวกันมากงานทุกอย่างช่วยกันได้ดีไม่มีใครรังเกียจใครเป็นที่เติมใจเขาบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ที่พูดนี่เป็นปศุสั์งพันห้าร้อยี่สิบหกเขาเห็นจะทำงานกันทุกอย่างน้ำท่วมไม่มีพระไหนรังเกใคร น่าจะภูมิใจในความดีของท่านท่านมีทั้งวิทยะบารมีมีทั้งคันติบารมีมีทั้งสัจจะบารมีแมริธานะบารมีมีปัญญาบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีมีเวขาบารมีทานนั้นบารมีก็มีคือโอทิกร่างกายกำลังกายกำลังปัญญาสีนนั้บารมีรักษาสี่งเขาพ้นในธมะบารมีคือไม่ปล่ให้นิวรณ์เขาครอบงำใจ แต่ความดีประเวกนี้คนจะภูมิใจในตนเองที่จะบ่านเข้าชมเองแล้วไม่ได้ประกาศให้เขาชมก็ว่มาพูดให้ฟังหลายคนตอนนี้จะมาพูดถึงสังญาอสิสรกายคือหนึ่งสก า, กายยิติทีสกายยะติทีที่ถ้าเป็นกำลังจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรามาเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ที่จับใจสาบลืด้วยขันห้าผมขอใช้สัปพร่างกายง่ายดีแล้วว่านี่เป็นกําลังของพระอรหันต์ถ้ากําลังของพระโสดาบันพระสกิทาคามีจะมีความเข้าใจจะพึงว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายถ้ากําลังพระนาคามีาานในร่างกายนี้โศกปลอครลางเกียดในร่างกายเบื่อหน่ายในร่างกายตัดกรมไชันท่าเดือดขาด เฉพาะส ก, กายยติติต้องมีความเข้าใจถ้าไปคิดว่าจะต้องตัดมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เลยไม่มีใครทากันพอ ร, รู้ตัวว่าทําไม่ได้ไม่เกินไปดูกําลังใจของเราว่าแค่ไหนกันแน่เวลานี้เรายังเห็น่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ทราบว่ามันจะตายใช้ได้นี่เป็นกําลังเขามาโสดา บ, บันประสิทธาคารี ได้ความดีสูงกว่านั้นเจริญกายยกระาตานันสุติกรรมฐานกับวัสดุกรรมฐานจานกระทั่งมีหัวร่างกายที่มีสภาพสระโบกโศคลงหน้าเกลีคกลายสุนักเน่าหรือโง่เน่ามาเข้าที่ขอมีความนังจิตขนาดนี้ไม่ต้องการร่างกายของเราและไม่ต้องการร่างกายของคนอื่นความกหนัดยิตขนางกายไม่มีอันนี้อรมณ์ขะวนนาคา ม, มี ถ้าในที่สุดตัวร่างกายนี้มันจะเปลียนท่าสี่ที่ขึ้นมาประกอบเป็นเรืนร่างที่อาศัยโจคราวมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่มันก็พังตามสภาพของมันมันจะพังเมื่อไรก็เป็นเรื่องของมันอย่างนี้เป็นอรมณ์ก็รหันนี่เป็นสัญญาข้อตนตัองย่อข้อที่สองนี่จิตฉา เราไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเจ้ากล่าวว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ความจริงเราเหงครัดมันก็ไม่มีอะรแก่มีความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามากระทบกระทั่งทําลายความสุขเราก็เห็นการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจให้เกิดความสุขเราก็เห็น แล้วการทัดท่าจากของรักของชอบใจเป็นปใจใัจจัยเกิดความทุกข์เราก็พบความตายจะเข้ามาถึงบุคคลใดอาการความทุกข์หนักมันเกิดขึ้นเราก็เห็ น, นการประกอบตายงานทุกอย่างเป็นเหตุถึงความทุกเนื้อ ย, ยากมันเป็นทุกข์เราก็เห็นทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ตายแล้วแบกไปไม่ได้เราก็ทราบ ร่างกายเป็นที่รักอย่างยิ่งทั้งชายและหญิงรักร่างกายยิ่งกว่าอย่างอื่นตายแล้วก็ไปไว้ได้แล้วก็รู้ที่สําเร็จพระบรมครูทรงจัดว่าทําความดีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บ้างไปบนพรมบ้างปานิพานบ้างเร า, าก็สารสาบทาบเพราะว่าพวกเราได้มนโนวยุทธิทั้งหมดแล้ว เกิดต่างๆนี่เราพบแล้วเราสามารถไปเที่ยวไปถึงได้แล้วก็ไม่มีอะไรสงสัยกําลังใจงเต็มเต็มคนที่สร้างความชั่วเราเคยสร้างความชั่วมาแล้วในอดีตเราก็ใช้กําลังปุบเวนิวายสารวิทยาถอยหลังลงไปเราเคยตกนรกกุมหน่อยบ้างเป็นเติดเป็นสุรกายเป็นสถิติชันมากี่ครั้งเราก็ทราบ กำลังปงลุกเปนนวาสามวิญญาณช่วยมากในเรื่องนี้ท่า น, นสาวกโคองค์สมเด็พจพระจินสียังมีความมั่นใจในความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระ อ, อริยสงฆ์จิดใจเคารพโดยให้มั่นคงไม่กล้าไม่คนพระรัตนตรยัยเส้นเดียวกันท่านสุปปา พ, พ, าพุทธกุฏิ ที่ไม่ยอมกล่าวแม้ต่ว่าจาว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพเจ้าว่าธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์นี่ที่พระอินทพลลองสอบกําลังใจของท่านแม้แต่พูดเฉยๆก็ไม่ยอมพูดให้เมื่อลมไม่คงอย่างนี้แต่ความจริงทุกท่านที่กําลังฟังอยู่เวลานี้ทุกคนมีความดีเข้าถึงแก่นตามที่พระพุทธเจ้าต้องการแล้ว ไปกันลืมพยายามตัดความชั่วคืออุปกิเลสให้สิ้นไปจากใจรักษาสเก็ดความดีเปลือกความดีกะระที้ความดีแก่งข้งความดียู่สมเด็จพราจงศรีทรงตัดว่นอุทุมบริการสูตรถ้าไม่เข้าใจไปดูเทปอธิบายอุยอยอยทุมปริการสูตร ตอนนั้นมันทึกยังกำลังป่อยมากเสียงจะไม่เพาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ต้องการเสียงแค่ต้องการทำกันก็แล้วกันรักษาความดีขั้นต้นไว้ครบะพ้นถึงแก่นความจริงท่านนอหลายน่าจะทรงตัวได้ดีเพราะกันคือว่าการไปทิตุปกุยยนก็ดีุกเพนิวาสารุยานก็ดีจูตูปปาตยานก็ดี เจตุลยุยยานการรู้ติดคนอื่นก็ดีภกเวรยาสัญญานเนอรชัดอติตังสัญญ า, าณอนายคตังสัญญาณปัจจุปนังสัญญาณยถากรมตายานคือแนะนำไม่แล้วทุกอย่างท่านก็สัมผัสมาแล้วก็ใช่ให้คล่องตัวถ้าเป็นอย่างนี้เอาญาณทั้งหลายเรานี้ช่วย การสงสัยในคนพระรัรัตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจาไม่มีสำหรับเราเป็นการตัดสัญญาตัวที่สองได้แบบสบายต่อไปก็ศีลปฏัตปรามาตการลุคําศีลไม่รักษาศีลจริงจังพลาดดังพลาดมากกว่ปริบัติอย่างนี้สาวกองค์สมเด็จพระบรมลุกนาทุกคน มีความเข้าใจดีแล้วว่าการแล้วเมื่อสิ้นมีความทุกข์ขนาดไหนใช้ปุพเพีวาสาริยานอริชาตของอนแล้วเคยลงนรกต้องการและเมิดสิ้นมากี่วาระมีอทุกข์ขนาดไหนและการพร ม, มายขนาดไหนคนจากนรกมาเป็นเปรตคนจะเปรตมาเป็นส ร, รกายคนจากอส ร, รกายมาเป็นสตรีฐาน คนมาจากสติสัมปชัมาเป็นคนโพทแล้วเมืิดสิ่งข้อที่หนึ่งเป็นคนอายุชั้นพันตายมีโรคภัยไข้เจ็บโรคโกนโทแล้วเมืิดสิ่งข้อที่สองทรัพย์สมบัติจะพินาศไปด้วยไฟบ้างด้วยน้ำบ้างด้วยลมบ้างด้วยการโกลกมลขจุลักบ้างโดษละเมืิดสิ่งข้อที่สามคนในปกครองดื้อ ด, ด้านว่าไม่ได้ไว้ไม่ฟัง ยิ่งไม่เชื่อกังเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์การละเมิดสิ้ข้อดีสี่วาจาพูดดีสันดีไม่มีใครหัวเชื่อเราก็มีทุกข์การละเมิดสิ้ข้อดีห้ามาเป็นคนแล้วนะเป็นโรคปวดหัวบ่อยๆ บ, บ้างเป็นโรคประสตร์บ้างเป็นโรคบ้าบ้างการละเมิดสิ้นนอกจากจะตกนรก เป็นเปนเป็นสระการเป็นสติฉันมาเป็นคนยังไม่เป็นทุกข์อีกต้องพบกับความยากจนเขยนใจทั้ทรัพย์จะพินาศไปน้ำกระไฟลมเป็นต้นนิรันดร์ธรรมพุทธศาสานาพระนิฆชนที่กําลังฟังอยู่นี่ทุกคนก็ฝึกปุกเพลนวายสามติยานได้แล้วตาลีองสำเนาพระปฏิปาวต้องการให้อยากจะรู้บุคคลตัวอย่าง ว่าที่เกิดมานี่ดีแ ล, ล้วเร็วสุขด้วทุกข์้วยด้วยจนมีวัาสนาบารมีมากหรือน้อย mm. ก็ใช้จุดดูปฏิยานดูกำลังของเขาว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนทาบุญอะไรไว้เป็นจุดดูปฏิยานด้วยทีตามสยายาโด้วยใช้ทำไมาเวลานั้นแล้วก็สาบ เราก็ตายแล้วไปไหนไปตกนรกไปเป็นเตระสุรกายสตีฉานเป็นคนเป็นธรรดาและผมปานิพันธ์ใช้กำลังจุดธูปปฏิญาณหรือว่าอนามัยขัดตังสญาณเอาเป็นจุดธูปปติญาณแลรู้ตายแล้วนะดูไปเราก็จะเห็นแล้วไม่อย่างนั้นใช้กำลังเขามโนยิธิปตามไปถึงที่เลยอย่างนี้เราก็จะทราบัด เป็นนวรต ก, การลเราเมื่อศีลเป็นของไม่ดีเราทราบเรื่องของเราการปฏิบัติตามกำลังของศีลให้ประโยชน์ยังไงเกิดเป็นสติวดาสวรรคชั้นไห น, นสวรรค์ชั้นไหนติดทรงฌานไปเกิดเป็นพมชั้นไหนมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขสํารารขนาดไหนหมายความเป็นคนดีเป็นคนรวยมีวาสนาบรารมี อย่างนี้ด้วยกําลังข้อสิงควบคุมกําลังข้อชานควบคุมเราก็ทราบได้ด้วดยกําลังปุเพนิวาสารุติญาณในนั่งศีลประตะปรามาตการลูกครามสิงก็ไม่น่าจะมีสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กําลังรับฟังเพื่อทุกคนทราบดีมีปุเพนิวาสานุติ ญ, ญาณอันนี้ก็ดีแล้วเป็นกําไรของเรา ในกำลังเท่านี้ทียกว่าเป็นกำลังของมรโสดาบันคือตัดสัโยาณโดยสามฉะนั้นของบรรดาทานผู้บริษัทและสายกำลังใจนิไวาให้ดีแก่ส่วนที่มีความสำคัญนั่นก็คือว่าจงคิดว่าร่างกายนี้ตายเมื่อไรร่างกายที่เป็นปัจจัยเรื่องความทุกอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีก นั่นคือเราต้องการพี่นันอันนี้เป็นสัญญาณสามคุณพระโสดาบันจะลแล้วพระโสดาบันนียังแต่งงานแล้วก็ยังมีการจุดกันป่วยมีบางคนตำหนิงชาวบ้านเคยได้ยดินมาเจริญกรรมฐานแล้วเจริญสมาธิพิปัญนานแล้วยังอยาแต่งงานอีกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของเขา พระพุทธเจ้ า, าเป็ทรงห้ามถ้าเราจะต้องทำอะไรแล้วก็ถือพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสาคัญอย่าไปฟังเสียงชื้บ้านในเชื้อบ้านที่เราบอกเทวดาไม่มีเนี่ยเราพบเทวดามาแล้วก็ไม่มีเราพบผมมาแล้วนิพพานสูนเราพบนิพพานมาแล้วเราจะไปฟังพวกปทัต ธ, ธรรม ที่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงสอนมีความหมายสร้างความเข้าใจเอาเองอันนี้ไม่เป็นผลแต่ถ้าจงอย่าไปตําหนิเขาก็าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกมีกําลังใจไม่เสมอไปพระพุทธเจ้ากล่าวถึงกําลังใจทังคนในโลกมีอยู่สีชั้นหนึ่งอุคติตันอยู่มีบารมีเต็มแล้วก็มีความฉลาดมาก ฟังคำแนะนาําขององค์สาเด็จพ ร, ระพุทธมีพระภายเจ้าแค่หัว ข, ข้อก็สามารถปรลุมรรคผลได้สองวิปปิตันอยู่พวกนี้มีบารมีเต็มแต่ปัญญาช้าไปนิดหนึ่งพระเดจ้าฟังธรรมะแค่หัว ข, ข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงจะเข้าใจสามารถปรลุมรรคผลได้ เนยยะบุคคลประเภทนี้ปลุกปล้ำกันหน่อยเข้าถึงไตรสนาคมได้ต่วจะเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องตั้มกันนานนิดก็ยังสามารถเป็นได้ยังเป็นคนดีได้อีกพวกหนึ่งคือผู้ปรัทับพระมะพวกนี้สมเด็จพระสัมมาวันเจ้าไม่ทรงสอนเพราะพวกนี้มีมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดทำลายความดีอยู่เสมอ เขมาจากอบายภูมิเขาย้องกลับไปอบายภูมิใหม่ฉะนั้นคําสั่งสอนเขาองสนิทประจอมใจที่ยืนยันไว้ว่าเทวดามีเขาจะบอกว่าไม่มีคนตายแล้วมีสภาพยังไม่สูญเขาจะบอกว่าสูญนี่พวกนี้เป็นพวกประทับประมะัปล่อยเขาไปตามสภาพของเขาพวกเราอย่าสนใจเรื่องความกำลังใจของาระโสดาบันเราทราบ อันนี้จังโดสามก็ยังเป็นกำลังใจของพระสิทาคามีพระสิทาคามีไม่มีกำลังความดีสูงก็ปีกหน่อยละเอียดอีนิดหนึ่งหนึ่งพยายามคลายราคะความรักในระหว่างเพศออกจากใจปัญญาเริ่มสูงขึ้นเห็นว่าร่างกายของคนมันเต็มไปด้วยความสุขโปกโสโครกและไม่มีการทรงตัว ยังม่เริ่มมีความหน่ย า, หนายแต่หนายไม่เด็ดขายเชื่อมันเท่าความรักปรวิติายาในความรักให้น้อยลงด้วยอะไรสุภกรรมฐานกับกายยงกตาโนสติคือมีอะไรสุภกรรมฐานด้วยมีกายยงกตาโนสติโดยที่แม้ร่างกายนี้เต็มด้วยความสุกปรกโสโครกอารมณ์นี้ยังเกิดเคื่องคลายในความรักยังไม่ตัดเดดขาด แล้วก็คลายในความโลกคือมีจาคานุสติกรรมฐานประจําใจที่เรียกว่าทานบ ร, รมิมีแล้วคลายความหลงมีใจจิตคิดลงว่าโลกนี้มีสภาพไม่เที่ยงคนและสัตว์มีสภาพไม่เที่ยงลงความว่าพยายามใช้กําลังใจอาจินัญาณยตนาชานให้มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ คนก็ดีไซ่ก้นดีตายหมดวัตถุธาตุทั้งหลายที่จะสร้างมาแข็งแรงเท่าไรในสุดก็พังหมดเช่นเดียวกันถ้าเราสายกําลังใจว่าอย่างนี้นั้นกิเลสทั้งสามรการและทั้งสิบราการนีน้จะสลายตัวได้เร็วจงคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์กดเท่าไรตายหมดเท่านั้น วัตุธาตุมีความแข็งแรงสําคัญในที่สุดมันก็พังเราก็ไม่ต้องการโลกที่ม่มีความดีดังอย่างเงืนนี้ต่อไปเทวโลกและพรมโล ก, โลกในชัยปุเพนิวาสารติานเคยบป็นเทวดาและพมมาแล้วก็อยูไม่ได้นานเราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดี่ยวสือ น, นิพพานอรรนดาท่านพระธรริชชาทุกท่านเวลาที่จะพูดถึงว่าพอดีจะเวลาแล้ว แต่คงจะไม่ครบสามสิบนาทีดีก็ช่างเถอะก็ขอลาบันดาสาวกของของค์เขาเอกปฏิที่แก้ววันเด็ย์อย่างนี้ขอพามสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี